เพราะฉะนั้นมิัตาเนี่ยนะความปฏิบัติผิดเพราะมีสภาพผิดผิดอะไรผิดไม่เป็นอย่างที่หวังเช่นหวังไว้อย่างนี้ว่าเขาจะนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่เราแต่ถ้าสิ่งนั้นตรงกันข้ามกับความหวังแปลว่าเขานาสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เขานำความทุกข์มาให้แก่เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้คว่ามิชตาความปฏิบัติผิดเนี่ยหมายถึงว่าความ ปฏิบัติด้วยอำนาจความเห็นเนี่ยเป็นไปโดยวิปริตเช่นนะสาคัญในสิ่งที่ไม่งามว่างามอย่างนี้ก็เรียกว่าวิปริตนะนะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะความเห็นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัตินะคําว่าปฏิบัติเนี่ยนะเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของปฏิปทาใช่ไหมปฏิปทาเนี่ยปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยนะปฏิบัติด้วยอํานาจของทิฏฐิสังกตะเป็นต้น ถ้าปฏิบัติตามมิจฉามรรคแปดประการเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นความปฏิบัติผิดเช่นเป็นมิจฉาทิฐิเอหรือทิฐิเป็นเหตุทําให้เกิดความเห็นผิดเห็นผิดนี่เห็นยังไงก็เห็นวิปริตนั่นแหละเห็นไม่เป็นตามความเป็นจริงเป็นความเห็นที่เหลวไหลเป็นความเห็นที่บัณฑิตเกลียดเอ๊ะทําไมบัณฑิตขี้โกรธหรือยังไงทําไมบันดิตจึงไปเกลียดความเห็นผิดแบบนั้น คือบัณฑิตเขาเกลียดว่าเป็นข้อปฏิบัติที่นําไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นข้อปฏิบัติที่จมอยู่ในห่วงทุกเนี่ยนะผู้มีปัญญาที่ไหนเขาจะไปอนุโมทนาเขาเลยรังเกียจคําว่ารังเกียจนี่ไม่ได้แปลว่าโทสะนะเอะคําว่าสิ่งนั้นน่ารังเกียจกับเกลียดนี่เหมือนกันไหมมิจฉาทิฏฐินี่เป็นความเห็นที่น่ารังเกียจมากแต่บัณฑิตเขาไม่ได้มีโทสะกับสิ่งนั้น เพราะผู้ใดเป็นมิชฌาทิฏฐิผู้นั้นก็รับเองเนี่ยนะบัณฑิตเขาไม่ต้องไปรับอะไรถ้าของใครก็ของใครอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าตัวความเห็นนี่น่ารังเกียจ ม, มากเพราะถ้าผู้ใดเห็นผิดผู้นั้นก็จะตรึกผิดพูดผิดทําผิดอะไรก็ผิดตามไปหมดเลยในอังคุตระนิกายเอกาณิบาตพระองค์ตรัสว่าในสิ่งที่มีโทษไม่มีอะไรที่จะมีโทษเท่ากับมิชฌาทิฏฐิอีกแล้ว ทั้งสิ่งอโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้ามิจฉาทิฏฐิเกิดอย่างเดียวเนี่ยนะปฏิเสธหมดเลยตัดทางสวรรค์ทางนิพพานหมดเนี่ยเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดข้อปฏิบัติชอบกำจัดเช่นว่ามิจฉาทิฏฐิบอกว่าอย่าไปอย่าไปรักษาศีลเลยศีลเป็นของดีใช่ไหมมิจฉาทิฏฐิบอกว่าทุศีลไม่เป็นไรนะนเ สัมมาทิฏฐิบอกว่าเจริญสมถะดีมิจฉาทิฏฐิบอกเจริญทำไมเจริญให้มันเกิดอะไรขึ้นสัมมาทิฏฐิบอกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ดีมิจฉาทิฏฐิบอกไม่จำเป็นเนี่ยนะพูดปฏิเสธตรงเงินข้ามหมดท่านมิจฉาทิฏฐิบุคคลในที่สุดก็สรรเสริญอกุศลกรรมบดสิบเห็นไหมกลายเป็นว่ายกย่องอกุศลกรรมบดในที่สุดมิจฉาทิฏฐิปฏิเสธกุศลก็ไปเจริญ อกุศลแล้วจะไปไหนก็อย่างว่าเนี่ยนะมิจฉาทิ่ฐิเนี่ยคติสองเนี่ยคือนรกกับเรชาชานเขาบอกว่าโอ๊ยถ้าคนยุคนี้มิจฉาทิฏฐิเยอะแยะไปหมดงั้นเขาก็ไปอบายกันหมดสิไม่ต้องไปห่วงรอกเนี่ยนะยุงกระคนไหนมากกว่ากันยาเงี้ยยุงนี่มันเยอะจริงๆเลยนะถ้าไปเกิดเป็นยุงอะไรจะเกิดขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกเนี่ยนะเขามาว่าถ้าไปอยู่ในบ่อปลาเนี่ยได้ไม่กี่บ่อหรอก คนทั้งโลกเลยนะเพราะมันอบายมันเยอะแยะไปหมดเลยนะท่านพระองค์พระองค์ตรัสอยู่แล้วใช่ไหมว่ามีอยู่สูตรหนึง่งนะพระองค์เอาฝุน่นเอาเอา่อเอาเล็บเนี่ยช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็พระพุทธเจ้าจะไปเล็บเท่านางรําได้ยังไงใช่ไหมเล็บพระองค์ไม่ได้ยาวเหมือนเล็บนางรําที่ไหนท่านเล็บก็สั้นๆแล้วช้อนฝุ่นขึ้นมาก็มีฝุ่นติดพระนักขานิดหน่อยพระองค์ก็บอกว่าเอถามพี่สุว่าฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินไหนจะมากกว่ากันพี่สุวก็บอกว่า อยฝุ่นในเล็บนั้นนิดเดียวนะแผ่นดินเนี่ยใหญ่โตเหลือเกินกองก็บอกว่าผู้ที่ไปอบายพอๆกับแผ่นดินผู้ที่ไปสวรรค์พอๆกับฝุ่นในเล็บเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าหมูสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เห็นโทษของมิจฉาทิฏฐิอะไรเลยอย่างอย่างบางกลุ่มอย่างย่างสมัยนี้สังเกตง่ายๆว่าผู้ใดสรรเสริญตานาติบาทยกย่องตานาติบา ต, ต, าา ต, บาตเห็นว่าการฆ่าไม่เป็นไรนะนะนะมีส่วนนะ มีส่วนแบ่งบาปกัเข้ามาหมดเลยอย่างตอนเนี้ยก็มีคนที่ ช, ชมเชยยกย่องสันเสริญการทําสงครามใช่ไหมพวกนี้จะไปไหนเนี่ยนะทั้นไทยที่เขาฆ่าเท่าไหร่ก็ไปขอแบ่งเข้ามาหมดเลยทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่สันเสริญการไม่ฆ่าเนี่ยนะมีไม่มากบางพวกนี้ไม่สันเสริญการเอ่อเลือกฆ่าหมายความว่ามนุษย์ไม่ควรฆ่าแต่สัตว์ไม่เป็นไรนะใช่ไหมเพราะมันอะไรนะ มิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะเว้นจากการฆ่าโดยประการทั้งปวงเว้นจากการลักโดยประการทั้งปวงเขาบอกบางคนเขาบอกว่าเออลักทรัพย์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นทําการทําธุรกิจไม่เป็นไรอย่างเงี้นะมันก็มันก็คือมันเลือกนะเลือกเลือ ก, เ, อกเป็นเรื่องเรื่องไปเพราะฉะนั้นในที่สุดไอความเห็นตัวนี้นี่แหละเสียหายอย่างเช่นมิจฉาทิฏฐิบางคนก็บอกว่าวัตถุกรรมไม่มีโทษนะเสวยเป็นมากขนาดไหนก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะ เช่นความเห็นเหล่านั้นเนี่ยเป็นความเห็นที่เสียหายมิจฉาทิฐีเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะจะทําลายประโยชน์ทําลายความสุขเนี่ยนะทุกโทษ เ, เวรภัยในโลกทั้งหมดเนี่ยนะมีมิจฉาทิฐีเป็นปัจจัยถ้าไม่มีมิจฉาทิฐีเนี่ยนะทุกโทษในโลกจะไม่มีเนื่องจากมีมิจฉาทิฐีนี่แหละบาปอากุศลทั้งหลายจึงได้เกิดขึ้นพราะมิจฉาทิฐีเนี่ยเกิดขึ้นบนพื้นฐาน รวมๆพื้นฐานจากสัตตถิฐิกับอุเฉททิธิเนี่ยนะเช่นพวกสัตตถิฐิสัตตถิฐิถ้าขยายเป็นสกายทิธิได้เท่าไหร่สิบห้าอุเฉททิธิห้าผู้ใดที่เห็นรูปโดยความเป็นตนเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนพวกนี้อุเฉททิธิหมดแต่ถ้าพวกใดถือว่าเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนตนในรูปพวกนี้ก็เป็นกลม สัสตถิธิแต่รวมๆก็คือมิจฉาทิธิคือสัสตถิธิกับอุเฉท ท, ทิธิเมื่อใดที่เกิดสัตว์สัญญาสําคัญว่าเป็นสัตว์อย่างแท้จริงเนี่ยนะอันนั้นเป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็จะล า, ลามลามลามไปเรื่อยๆทําบาปอากุศลอีกเอยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฐิเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดปฏิบัติตัวนี้ก็คือความเห็นผิดเพราะขณะใดเมื่อใดที่เห็นผิดขณะนั้นชื่อว่า ปฏิบัติผิดแล้วนะขณะที่เห็นผิดเข้าใจผิดเนี่ยนะเพราะคนที่อย่างคนที่หลงคิดเนี่ยนะเข้าใจทิดผิดจะไปไหนอ่ะถ้าแบบไม่มีแผนที่ไม่มีคนไม่มีคนบอกกล่าวหากัหกหกัหกห้ามปรามตักเตือนเนี่ยนะเขาก็จะเดินไปตามอำนาจของความเห็นเขาผิดตั้งแต่เห็นแล้วเนี่ยนะผิดตั้งแต่เข้าใจแล้วถ้าเข้าใจผิดสักอย่างเดียวนี้เนี่ยนะหมดเลยอย่างเขามีเรื่องหนึง่งพรามณคนหนึ่งเนี่ยนะ เขาตายแล้วเนี่ยคตินิมิตปรากฏเป็นภาพเปลวไฟนรกอาจารย์เขามาบอกว่าอุย้ยนั่นแหละพรหมโลกบอกเปิดให้ประตูให้แกท่านแล้วจะไปไหนดีล่ะกันเนี่ย เ, เก็บภาพอันนั้นเอาไว้ในความทรงจำรรเลยนะนะก็นั่นแหละไม่ยังสนิทเลยนะมิจฉาสังกปะเนี่ยนะความนําเรศผิดเช่นตรึกในการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิด มิจฉาวาจาก็คือเจรจาผิดก็คือมูสาวาสอเสียดคำหยาบและเพอเจอร์มิจฉากัมมันตาก็คือการงานผิดหมายคาอว่าการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และก็ประพฤติผิดในการก็าชื่อว่าเป็นการกร ะ, การกระทาที่ผิด น, น, นมันไอคำว่า ง, งานตรงนั้นไม่ได้แปลว่ า, าชีพอะไรนะส่วนอาชีพก็คืออาชีพที่ อาชีพที่ทำทุกวจีทุกเจริญสี่กายทุกเจริญสามอาชีพนั้นเป็นมิจฉาอาชีพมิจฉาวายามะแหละขยันทำมากุศลนั่นแหละเป็นมิจฉาวายามะไม่ใช่ขี้เกียจนะมิจฉาวายามะเนี่ยแปลว่าขยันมากขยันโลภขยันโกรธขยันลุ่มหลงเนี่ยนะเี่ยขยันทำตานาติบาตาตาทั้งคืนอย่างเงนะี้ยลักษณะนี้เป็นต้นเรียกว่ามิจฉาวายามะ ขยันมากเนี่ยนะห้ามปรามไม่ฟังเลยขยันลร่างเล่นการพนันได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นเนี่ยพวกนี้แหละลักษณะของมิจฉาวายามะไปขยันในเรื่องที่ไม่ควรจะขยันเนี่ยนะหลับยังจะเร็วน้อยกว่าว่างั้นมิจฉาสติก็คือระลึกผิดหมายถึงอะไรระลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาด้วยอํานาจบาปอากุศลเนี่ยนะก็คือจังโยโย่ก็ระลึกถึงจําได้นะจําเรื่องเหตุการณ์เรื่องราวในชีวิต ที่ผ่านมาแต่มไม่ได้ด้วยกรรมฐานอะไรนะแต่ละลึกไปเรื่อยเปื่อยนะล่องลอยที่ถึงชีวิตในอดีตคิดไปเรื่อยเื่อยเรื่อยเรื่ยลักษณะนี้โดยมากเป็นมิจฉาสติเพราะอะไรเพราะไม่ได้ระลึกด้วยสมถาวิปัสสนาอะไรสมถาวิปัสสนาเนี่ยละลึกถึงอดีตไหมละลึกแล้วมิจฉาสติละลึกถึงอดีตไหมละลึกแต่ละลึก <hour? S 1> ถึงอดีตด้วยอํานาจความโลภละลึกถึงอดีตด้วยอํานาจความโกรธแล้วละลึกถึงอดีตด้วยความ ลุ่มหลงอันนี้แหละลักษณะของมิจฉาสติเนี่ย น, นะเพราะอากุศลที่เป็นปฏิบัติต่อสตินั่นเองมิจฉาสมาธิละ่ะก็คืออาคุศลสมาธิอาคุศลเอกคขตานั่นแหละเนี่ย น, นะทั้งธรรมะทั้งแปดเนี่ยเป็นความปฏิบัติที่ผิดทัพอ่ะตัวที่จะละได้เนี่ยละมิจฉาทิฏฐิละด้วยอะไรละด้วยสัมมาทิฏฐิละมิจฉาสังกัปปะด้วยสัมมาสังกัปปะละมิจฉาวาจาด้วย ส <im> <im> <Town> <im> <humans> <automotive> <im> well ัมมาวาจาละมิฉากรรมันตะด้วยสมากรรมันตะละมิฉาอาชีวะด้วยสัมมาวายมะเออสัมมาอาชีวะละมิฉาวายามะด้วยสัมมาวายมะละมิฉาสติด้วยสัมมาสติละมิฉาสมาธิด้วยสัมมาสมาธิเนี่ยนะละได้เด็ดขาดก็ด้วยมรแปดนั่นแหละส่วนธรรมะเก้าที่ควรละเนี่ยนะก็คือ ทรมามีตันหาเป็นมูลเก้าหรือตันหาเป็นมูลเหตุเก้าอย่างเนี่ยควรละเคเพราะอาศัยตันหาจึงเกิดการแสวงหาเพราะอาศัยการแสวงหาจึงเกิดการได้ลาบตัวนั้นแปลว่าได้พ้อหาก็ได้นะพออาศัยการได้ก็เกิดการตกลงใจเพราะอาศัยการตกลงใจจึงเกิดความรักใคร่พึงใจเพราะอาศัยการรักใคร่พึงใจจึงเกิดการผวง เพราะอาศัยการพวองจึงเกิดการยึดถือเพราะอาศัยการยึดถือจึงเกิดความตรหนีเพราะอาศัยความตรหนีจึงเกิดการป้องกันเพราะอาศัยการป้องกันอกุโสลธรรมอัลามกไม่ใช่น้อยคือการถือไม้ถือมีดการทะเลาะการแก่งแย่งวิวาทการกล่าวว่ามึงมึงด้วยคำพูดส่อเสียดเป็นต้นนะการพูดกดก็ย่อมเกิดขึ้นอธิบายพิสดารว่าตันหาเป็นมูลเก้าอย่างชื่อว่าตันหามูลกาเพราะมีตันหาเป็นมูลเหตุ อันหาเป็นมูลเหตุให้สแสวงหาด้วยอํานาจอากุศลนะด้วยอํานาจอกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดการสแสวงหาทีนี้พอสแสวงหาก็เกิดได้ลาบใช่ไหมลาบก็คือการได้ได้รูปได้เสียงได้กลิน่นได้รสได้โพธาผ้ได้ธรรมรมตามที่ตัวเองสแสวงหามาพอหามาได้มาเนี่ยนะได้มาอย่างนี้ก็ตกลงใจ โดยศัพท์เนี่ยวินิจวินิจฉัยการตกลงใจเนี่ยนะโดยศัพท์นี่มีอยู่สี่คำนะในพระไตรปิฎกคืออาจจะตัดสินใจด้วยยานก็ได้ด้วยอันหาก็ได้ด้วยทิฏฐิก็ได้ด้วยวิตกก็ได้แต่ในที่นี้หมายถึงวินิจัยตกลงใจด้วยอํนนานาจของวิตก น, นะตัดสินใจด้วยอํนนานาจวิตกนะตกลงใจก็เอามาตรึกด้นะูนะนี่ในนี้ท่านก็ยกตัวอย่างมาทั้งสี่ตัวอย่าง คือเช่นตัดสินใจด้วยปัญญาญาณวินิจฉัยตัดสินใจด้วยญาณด้วยความรู้ก็คืออะไรพึงรู้สุขขวินิจฉัยค้นรู้สุขขวินิจฉัยแล้วพึงควนขวายหาความสุขในภายในเนี่ยอันนี้เป็นแยกแยะว่าอะไรเป็นสุขที่มีโทษอะไรเป็นสุขที่ไม่มีโทษแล้วก็คัดเลือกเอาสุขที่ไม่มีโทษแล้วเจริญสุขในสุขที่ไม่มีโทษอันนี้เป็นชื่อของปัญญานะที่สามารถแยกแยะว่า อะไรเป็นสุขที่มีโทษอะไรเป็นสุขที่มีโทษแล้วเจริญแต่สุขที่ไม่มีโทษละสุขที่มีโทษอันนี้นี่เป็นปัญญานะที่สามารถจำแนกแยกแยะได้อย่างนี้แต่ถ้าวินิจฉัยด้วยตันหาก็คือตันหาร้อยแปดนั่นแหละตันหาร้อแปดนี่แหละวินิจฉัยด้วยตัญหาส่วนทิฏฐิวินิจฉัยก็คือวินิจฉัยด้วยทิฏฐิหกสิบสองส่วนวิตก วิตกเรียกว่าวินิชยะวินิจฉัยด้วยวิตกก็เช่นดูก่อนจอมเทพชันทะและมีวิตกเป็นเหตุอธิบายตรงๆ ง, งเลยครั้นได้ราบแล้วก็เกิดตกลงใจด้วยอำนาจวิตกคือตัดสินใจถึงสิ่งที่ชอบว่าอันนี้ตัวเองชอบนี้ไม่ชอบนี้ดีนี้ไม่ดีพอวินิฉัยแยกแ ย, กแยก่อย่างนี้แล้วก็คี่ต่อไปอีกว่ามีสิ่งเนี้ยมีประมาณเท่านี้มีเพื่อเราอันนี้เอาไว้หารูปอันนี้แบ่งไว้หาเสียงอันนี้แบ่งไว้หากลิ่น หารถหาโพธาพะเป็นต้นนะสมัยนี้เรียกว่ารอบคอบมากเน ะ, สะแสดงว่าได้มาแล้วก็มาใครครวญวุ้ยใช้จ่ายได้อย่างรอบคอบอันนี้ไว้ซื้อนั่นนั่นไว้จ่ายอันนี้นี่ไว้ทีเคราะห์อู้ยแบ่งสรรปันส่วนได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยหมดเลยอันนี้เป็นของเราอันนี้เราจะใช้สอยอันนี้ให้คนอื่นอันนี้เก็บไว้แต่นะอู้ยแบ่งได้อย่างประนีตมากเราคนละเอียดรอบคอบมากเลยนะดูเหมือนละเอียดรอบคอบนะแต่ด้วยอำนาจอาคูโซนี่สิตรงเนี้ยมีโทษ ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอาศัยลาบจึงเกิดการตกลงใจก็คือจัดสรรปันส่วนแบ่งอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยหมดเลยทีนี้พอจัดสรรปันส่วนตกลงใจเรียบร้อยก็เกิดความรักให้พึงใจใช่ไหมเกิดฉันทราคะขึ้นเพราะอะไรเพราะเมื่อวิตกถึงวัตถุด้วยอกุศลวิตกอย่างนี้แล้วย่อมเกิดราคะอย่างอ่อนและอย่างแรงฉันท่านี้เป็นชื่อของราคะอย่างอ่อนพอใจนี่ชื่อว่าตันหาอ่อนๆ น, นะนะส่วนราคะเป็นชื่อของตันหาอย่างรุนแรง ทีนี้พอเกิดตันหาอย่างอ่อนอย่างแรงอย่างนี้แล้วก็ผวงแล้วใช่ไหมตกลงใจอย่างแรงอันนี้ต้องเป็นของเราอย่างเดียวใชอันนี้ของเราอันนี้ของเราใครอย่ายุ่งของเราตริกหะก็ยึดถือจะยึดถือด้วยอำนาจตันหาบ้างยึดถือด้วยอํนาน า, ออนาจของทิฐิพอยึดถืออย่างนี้ก็ความตรณีก็เกิดขึ้นไม่ยอมให้สิ่งนี้เนี่ยเป็นสาธารณะแก่คนอื่นไม่ยอมละ ไอ้คำว่ามัชฌิรายานี่ท่านจึงบอกว่าของอัศการนี้จงมีเฉพาะเราเท่านั้นของดีๆอย่างเนี้ยของเราอย่างเดียวนะคนอื่นห้ามใช้เด็ดขาดเนี่ยนะอันถ้าคนอื่นมาช่วยใช้เมื่อไหร่แล้วก็เดือดร้อนนะ่ะนะใครเดือดร้อนคนตันีนั่นแหละเดือดร้อนไนอะ้คนที่ใช้ก็เดือดร้อนด้วนกันนะสรุปว่าเดือดร้อนหมดแหละนี้พอทํายังไงที่จะให้คนอื่นเขาไม่ยอมมาใช้กับเราได้อะ่ะทํำยังไงจึงคนอื่นจะไม่ใช้ก็ต้องมีการป้องกันใช่ไหม ประก้องการรักษาด้วยดีปิดประตูเก็บไว้ในหีบเป็นต้นหาตู้เซฟลิ้นชักอะไรก็ว่ากันไปเก็บไว้อย่างดีนะทีนี้แล้วคนอื่นเขายอมไหมล่ะเก็บไว้ไที่ไหนเนี่ยพวกจอมลักจอมขโมยก็ไปหาบ้างก็ต้องมีการป้องการรักษาให้ป้องการรักษาก็ททำไงถือมีดถืออาวุธถือสาตราเป็นต้นนี่ถ้าเขามาแย่งมาชิงก็มีการทะเลาะกัน อันนั้นมีการทะเลาะทางกายทะเลาะการทางวาจามีการกโกรธมีการด่ากันได้เรื่อยเนี่ยนะอันนี้ก็เพราะอะไรสึกชิงวัตถุสแสวงหาเกือบตายที่สุดของการสิ่งที่เราสแสวงหาก็ได้การทะเลาะเบาแหวงกันผลทั้งหมดนี้เกิดจากกัรหานี่เป็นเหตุให้เกิดการสแสวงหาเนี่ยนะในที่สุดพอมีการสแสวงหาจุดจบของสิ่งนั้นคือทะเลาะเบาแหวงกันถ้าทีนี้ถ้า อย่างที่เขาบอกว่าพอหามาได้จนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วเกิดการทะเลาะกันแล้วตายตรงนั้นอะไรจะเกิดขึ้นไหหามาแทบตายแล้วนะมารักษาสิ่งนั้นจนตายเลยนะเหนื่อยแทบตายมาได้สิ่งนั้นแล้วก็เพราะตายเพราะสิ่งนั้นนั่นแหละท่านท่านึงบอกว่าไออันหาเป็นมูลตัวนี้จึงควรแก่การละอะแล้วถามว่าแล้วผู้ที่สแสวงหาตั้งใจไว้เพื่อจะเจริญกุศลน่ควรละหรือไม่ ก็ไม่อยู่ในประเด็นนี้เนี่ยนะคนละประเด็นกันนั้นประเด็นนี้หมายความว่าสแสวงหาด้วยอํานาจของตันหาไม่ได้น้อมไปเพื่อเจริญกุศลอะไรเนี่ยนะตรงกันข้ามกันขณะเดียวกันบางคนที่เข้าใจผิดมาเห็นตรงนี้เข้าก็เลยเลิกสแสวงหาอะไรเลยงานก็ไม่ทํากลายเป็นคนที่เกียจกี่กล้านไปเลยอันนี้ก็คนละคนละประเด็นอีกเข้าใจธรรมะผิดพลาดแล้วนะถ้าอย่างนั้นอนะ่ะ <c oughs> ส่วนธรรมะสิบที่ควรละคืออะไรคือความปฏิบัติผิดสิบประการนี มิจฉาทิฐิจนถึงมิจฉาวิมุตติอ น, นะก็เหมือนกับมรรคแปดนั่นแหละแต่เพิ่มอีกสองข้อสุดท้ายคือมิจฉาญานะก็คือรู้ผิดโมหะโมหะนี่ไม่ง่นะไม่รู้แต่อริยสัพพะนันแะเรื่องทั่วๆไปมันรู้นะโมหะนี่ฉลาดมากเลยนะเช่นรู้วิธีฆ่ายังไงฆ่าได้มากๆคฆ่าได้เยอะๆรักได้มากๆรักได้เยอะๆเพราะรู้วิธีทาชั่วอันนี้แหละเรียกว่ามิจฉาญานะ แล้วก็พิจารณาว่าโอ้โหเนี่ยการกระทําของเราเรานี่เก่งจริงๆนะสามารถทําชั่วโดยวิธีประการต่างๆนะอันนี้เป็นมิจฉาญานะรู้ผิดนะอั้นความโลภนี่ไม่ใช่เขานะความโลภไม่เห็นแต่ท่านิพ้่านเท่า น, นะนะั้นนหะความโลภนี่มันรู้ไปทุกเรื่องหมดนะความโกรธก็รู้ไปทุกเรื่องความลุ่มหลงก็รู้ไปทุกเรื่องไม่รู้อย่างเดียวคืออริยสัจไม่รู้พระนิพ้่านเพราะฉะนั้นมิจฉาญาณ น, นี่จึงควร ละเนี่ยนะเพราะความรู้เหล่านั้นไม่ได้สา ม, มารถทําที่สุดแห่งทุกได้ส่วนมิจฉาวิมุตต์น่ะนึกว่าตัวเองสบายแล้วพ้นทุกแล้วทั้งทั้งที่อะไรนะทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้บรรลุอะไรยังไม่ได้พ้นทุกอะไรเลยแกก็นึกว่าตัวเองสบายแล้วเนี่ยนะโอ้ยแห้วันนี้สบายจริงๆเลยนะพ้นแล้วเนี่ยนะโลง่งอกโล่งใจเนี่ยนะจริงหรือเปล่าโล่งจริงหรือเปล่าสบายใจจริงหรือเปล่าหลุดพ้นจริงหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะนั้นเป็น มิจฉาวิมุตต์เนี่ยนะท่านอันนี้ควรละนะความเข้าใจผิดเหล่านี้มิจฉาวิมุตต์เนี่ยก็คือว่าถือว่าหลุดพ้นผิดก็คือเข้าใจผิดนั่นแหละทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้บรรลุอะไรเลยแต่สําคัญว่าบรรลุแล้วยังไม่ได้หลุดพ้นอะไรเลยแต่สําคัญว่าหลุดพ้นแล้วยังไม่สบายที่แท้จริงอะไรก็เนึกว่าสบายจริงๆแล้วเนี่ยนะอย่างเช่นพวกเทวดาทั้งหลายบางทีเนี่ยเขาก็นึกว่าเขาเนี่ยพ้นแล้วโล่งใจแล้วที่ได้เกิดในสวรรค์ใช่ไหยโล่งใจหรือว่า ยังไงดีควรโล่งใจหรือไม่ควรโล่งใจก็บอกว่าเทวดาดาวดึงก็บอกว่าอุ้ยใครที่ไม่ได้มาดาวดึงคนนั้นไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงะแสดงว่าพวกนี้ไม่รู้จักความสุขเพราะไม่ถึงดาวดึงก็บอกว่าคําพูดนี้ของเทวดาใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เนี่ยนะพาถามก็บอกว่าเขาไม่รู้เราว่าไอ้สิ่งที่เขาว่ามันสุขนะั่นมันคือสิ่งที่ไม่เที่ยงเน่ยนะนะไปสําคัญอะไรกับความความไม่เที่ยงเหล่านั้นแล้วสําคัญว่าเป็นสุขแท้จริงเนี่ยนะนะว่าเขาไม่รู้เราว่าสังขารทั้งปวง ไม่เที่ยงนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์เนี่ยนะนั้นก็ไปสําคัญว่าตัวเองอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ว่าตัวเองเข้าถึงความหลุดพ้นแล้วนั้นก็ถือว่าเป็นความเข้าใจผิดความหลุดพ้นที่ผิดพลาดฉะนั้นอันนั้นจึงเป็นความผิดควรละความเข้าใจผิดเหล่านั้นซะอนนผู้ใดที่ละความเข้าใจผิดเนี่ยนะละบาปอากุศล ละทำหนึ่งที่ควรละคืออสมิมานะทำสองที่ควรละคืออวิชากับภวะตัณหาทำสามที่ควรละคือตัณหาสามธรรมะสี่ที่ควรละคือโอคาสีทำห้าที่ควรละคือเนวรนห้าทำหกที่ควรละคือตัณห า, ายาหกทำเจ็ดที่ควรละคืออนุสัยเจ็ดทำแปดที่ควรละคือมิชตะแปด ทำเก้าที่ควรละคือตัณหาเป็นเหตุเป็นมูลเป็นรากเงาเก้าทำสิบที่ควรละคือมิชะตะสิบนีนะ่การละธรรมะทั้งหมวดหนึ่งถึงหมวดสิบอย่างเงี้ยห้าสิบห้าข้อใช่ไหมหนึ่งถึงสิบเนี่ยถ้าบวกบวกบวกกันขึ้นโดยลำดับได้กี่ข้อห้าสิบห้าข้อเนี่ยนะถ้าถ้าละได้ทั้งห้าสิบห้าข้อนี้ก็ พนทุกข์เนี่ยนะท่านอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่พระสารีบุตรยกมาจากพระสุตระสูตรจริงๆท่าสุตระสูตรก็พระสารีบุตรแสดงปฏิสามพิธาก็พระสารีบุตรแสดงท่านแสดงได้ไม่ขัดกันนนะแล้วก็การแสดงเหล่านี้สอดคล้องตามพระพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยนะเพราะเรียบเรียงเอาคําสอนจากเอาคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามที่ต่างๆมารวบรวมมาแบ่งว่าหนึ่งสองสามเจงเหล่านี้ควรละนะเงี้ยเพราะผู้ที่ละ บาปอากุโสแลธรรมเหล่านี้ได้ก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะการละการประหารประหาระประหารตับพระเนี่ยนะก็คือการละการประหารแบบนี้ไม่เป็นบาปการประหารแบบนี้มีแต่บุญอย่างเดียวบุญอย่างเดียวการประหารแบบนี้เป็นเหตุให้ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยส่วนเดียวเนี่ยนะมันสําหรับปฏิสมัมพันธวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน